การิตาตุตุวะตุอร e หตุสมมาสมุทัสสักปรินิพพานาตุปะสัยยะอาตตาสักสังวัจจารุตระปัญจตตาดิการิภเวสังวัชระสะสะนิอติกันตานิปจุปันนการะเสนาระกระดามมมาัะ พันจมังพินังวาโรเสนาปณะโ a วาโรโหติเกวังตัสสะขะวะโตปิปานาชาสนายุกาละกนนาสันละเจตัสตาติ <c oughs> สุานมัตนุราพุตธสาวนายยุการจัเดิมแต่วันปรินิพานแห่องค์สมเด็จพระกิษฎสมมานัหันธสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้รวงแล้วปีสองพันห้าร้อยสิสาน พระสยุมบันตะสมัยกระกันดาคมอมมัดสวัสถินที่ห้าวันเสา้าวันนี้เป็นปัจยุมบันวาญรายพุทธาสัลายุกาญจำดือนเวลาวันปริวิธานเององค์สมเด็จประภูมีประพาาเจ้านั้น มีนัยะอนุทมวสัจจะป็นกหนดนับได้ด้วยประกาศรัชนีนักโมตัสสะปะขวัตูอรหัตสัมมาสัมพุทธสันนัโมตัสสะปะขวัตูอรหัตสัมมาสัมพุทธสันนัโมตัสสะปะขวัต ราหะโตสัมมาตัมพุทธะสัตอาตายาตันโนนโตโธตินาโตพระโลติยาอาตายิสุตันเทนะนาทังลัพติคุรลพันตณโอกาสปนีอาตมาพาจะแสดงพระสธรรมดสนา ในอัจฉรายะคาถาเพื่อเป็นเครื่องสวดสงองค์พระสัทถาบารมีที่บรรดาท่านพุทธมรรคทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญทำเพืุ่ศนบุญราศีแ่ะในกายคลายว้เกิดพ่อธรรมาในวันนี้การที่บรรดาท่านพุทธบรรคทั้งหลายได้น้อมนําอจดุปปัจจัยตัดี ดอกไม้ผูกเพียงคนดีอาหารการบริโภคเรื่องสกาวรามิททั้งหลายมาถวายอัตมาลอยคนดีจะยกขึ้นเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคนดีอย่างนี้ทั้งหมดจัดว่าเป็นมหาบุญผลตอนนี้ก็กลว่าจะสุปัจจัยที่บรรดาตนทั้งสามจะได้ชนพุทธบริษัท นอมนำมาถวายเนื้อในวันค้ายวัเกิดเขาจะมาในวันนี้อันดับแรกขบรรดาท่านก็จะไปตัดมีเจตนาสงฆ์พระประสงค์ในศาสนาพระองค์สมเด็จพระจินาสีพระมาสาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดว่าเป็นสาระหะวัตถุถ้ากล่าวเป็นทายก็เรียกว่าปาฏิภูมิกริสทาน ว่าเป็นทานประเทศหนึ่งก็มีอานิสงส์มากอาตมาก็ขยัยนดาแทนตุทิรบริจัดจะบผืนด้หลายชั้นด้วยกันเพราะว่าจะสุปใจทุกบาททุกตะตงวันนี้นั้นอาตมาจะไม่หักไว้เป็นส่วนตัวแม้จะเหลืองตะตงกลับไปคราวนี้ก็จะไปชำระเงินที่ค้างในางางาอาคารสร้างวัดหลวอสร้างคือสร้างวัดต่างวัด เงินจำนวนนี้ทั้งหมดข้อมัรดาท่านพุทธบริษัทข้จัดก็เป็นมีหาระทานและก็เป็นสังฆทานด้วยเรื่องนี้นิสงหลายแรื่การโดยกันข้อมรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจโมูธนาไว้เพราะว่าวิหารละทานนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบูลมัสสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่ามีอนิสงส์ของฝุนด้านอมิสสถาน ไม่มีทานใดๆที่มีอานิสง ส, ง ส, ง ส, งส์เสมอต่อหรือหารดทานการบำเพ็ญพระบรรดาเป็นพุทธบริษัททุกท่านที่ไดกล่าวถึงโดยอนิสงส์กส็คือหนึ่งปาฏิภุริสถานอันบรรดาท่านพุทธบริษัทรอบมาถวายเพื่อธรรมารนี่เป็นอริสงส์ส่วนหนึ่ง เละแอรายการนี้สองอัตมานำเดสุบใจขมรนดาท่านพุทธบรัตถังหลายไปใช้ชำระเนืน่องในการสร้างวิหารฐานนี้ก็เป็นอาลีสองอยู่สนหนึ่งในเวลานี้นั่งก็ปรากฏว่าเป็นการถวายระหว่างการเทศเร่อนี้ก็ถือว่าเป็นการบูชาธรรม จัดว่าเป็นธรรมทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูชาธรรมและนํามาถวายแต่ประสงค์อันนี้องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าจัดว่าเป็นท่้งพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาคือการบูชาเราสมน้อมนำมาถวายเราส์จัดเป็นสังฆบูชา ปสง์จะเป็นประสงค์ขึ้นมาได้ก็ต้อาใช้ปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระภูมีพระภาเจ้าทีนามาสั่งสอนว่าถือว่าเป็นธรรมบูชาไปในตัวด้วยนี่เป็นธรรมที่จะบรรลุขึ้นมาได้ก็สายองค์สเด็จไปจอมตรปิฎกศาสนาพ้นเข้ามาแล้วการปฏิบัติการธรรมให้การบูชาพระสงฆ์บนดีบูชาพระธรรมบนดีก็ชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วย อธิษฐานโดยการบูชาและวิชิว่าเป็นทั้งพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาการบูชาพบทั้งสามโดยการนีองสมเด็จพระวิชิตมารบริมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่ามีนิสงฆ์มากอาจจะถึงผลิตผลได้โดยง่ายแต่พระบรรดาท่านพุทบริษัททั้งหลายจะมีความเข้าใจคําว่าบูชาไว้ด้วย การบูชานี้มีสองเดียวกันคืออมิสบูชาอย่างหนึ่งปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งอมิตสบูชาได้ก็ให้ได้แก่การให้ดอกไม้ผูกเพียนข้าวปลาอาหารหรือวัตถุอย่างนี้เรียกว่ามิสบูชาสำหรับปฏิบัติบูชาต้องเปการปฏิบัติตามในคําว่าบูชานี้ถ้าจะพูดกันตามภาษาชทยชัดๆนี่เรายอมรับนับถือสิ่งกันแลกกัน ในการที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระสงฆ์ก็หมายความนึ่นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องการปฏิบัติตนเยี่ยงพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระธรรมปฏิบัติตามเระสงฆ์และก็รพระพุทธเจ้าคนดีพระสงฆ์คนดีนิยมเทศสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เป็นคนคนพุทธ เพื่อนจัดความทุกข์ในแก่ผลิพานเป็ <c oughs> นจริยาที่บรรดาท่านพุทจาริษศทุกท่านทําแล้วในวันนี้ก็เป็นปัจจัยเข้าถึงซึ่งผลิพานเพราะว่าในการแรกบรรดาท่านพุทธบริษศทุกท่านออจะฟังเทศก็ น, นั่งจะถูกใจตกดีเพื่อเสกาวารามิตรดีมาถวายแหนเระสง์ในหลวงพุทธศาสนา แต่ว่าเป็นเครื่องบชาแต่สามเด็การสมฐานคือพุทธบูชาธรรมบูชาแสงบูชาโดยอามิสรบูชาเกิดการให้การบูชาแบบนี้องค์สําเร็จเป็นจอมตรายบริมตัดสนาสัมมาสัมพุทธเว่ามีปัจจัยแหงกาลมาวจรสวรรค์และจะเป็นกําลังให้บรรดาท่านพุทธบริษัตททุกท่านมีความภูมิใจชาติประจุบันและสัมรายะพบท่ายังในเสียงเสียงปฏิการ การอันดับสำคัญก็คือการบูชาด้วยอาบิณิจะต้อง न, เป็นกําลังส่งคนให้ถึงผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยนอกจากการบูชาด้วอาิสะบูชาเป็นกําลังใหญ่เป็นการสนับสนุนปฏิบัติบูชาหรือว่าเป็นการป้องกันการไร้ทรัพย์สมบั ह, ติภายและท่ากันหน้าจะยังใไม่ถึงสิ่งผลิตภัณ การได้เกิดในสถานที่ใดก็ตามตะกี้ใช่ก็ตามทีคนที่ยกจิตวิญญาณของท่านดังหลายเพื่อนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแสงบูชาอีกเรียกว่าตว้ยไวายกับพระพุทธศาสนาคนประเภทนี้ถ้าตายเป็นทีวันใดก็มีที่ประสมบัติมากแต่กลับมาเป็นคนก็หาความยากจนเขินใจไม่ได้ ในรายการนี้สองบรรดาท่านพตทธบริสุทธิ์หลายไม่ได้มีตามิตรบูชาอย่างเดียวตามปกติก็มีปฏิบัติบูชากันอยู่แล้วค็มีความเคารพในองค์สมเด็จกรรมฐาแก้วมีการให้ทานเป็นปกติมีการสมาทานศีลเป็นปกติมีการเจริญสมถะกรรมฐานมีศาสนากรรมฐานเป็นปกติอย่างนี้ที่เราปฏิบัติบูชา ในการปฏิบัติบูชานี้องค์สมเร็จตัตถมารถุติจาวกล่าวว่าเป็นปัจจัยให้เข้าถึงผลิพานได้ง่ายดังนี้เพราะอะไรก็เป็นการเพิ่มเติมบุญบารมีขบรญดาท่านพุทธรินทร์ตัณฑ์หลายที่สร้างไว้ในเนกชาติให้เจรินรุ่งเรืองมีความเต็มที่ขึ้นไปเมื่อบารมีขบรญดาท่านพุทธรินสร์ตัณฑ์หลายเต็มเมื่อไรเมื่อนั้นให้บทถึงผลิตานคือเป็นพระอรหันต์ ดังนการเรียกวันนี้ก็จะขอปราลรบปรามีสิประการเป็นปัจจัยเพราะว่าคำว่าปรามีที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเคยปราลบในศาสตร์ทูกเสมอถ้าพูดกันถึงบริพันต์เพียงใดท่านทั้งหลายก็ไม่จะบอกว่าปรามีมัยังน้อยอยู่ปรมีของเรายังไม่เต็มทำไม่สามารถจะไปบิพันต์ได้ แต่ความจริงบรรดาท่านผู้บริษัทที่กล่าวอย่างนั้นอาตมาก็คิดว่าท่านยังไม่เข้าใจคําว่าบารมีมากกว่าเพราะการบาเพ็ญบุญสัญญาเสมาปฏิบัติแต่ละครั้งเราก็บำเพ็ญบารมีครบสิบการทุกครั้งไม่ใช่ว่าการบาเพ็ญบุลแต่ละครั้งจะสร้างบารมีโดยเฉพาะ โดยเฉพ่ะอย่างยิ่งบรรดาท่านทุตตะวีสแตงหลายมาบำเพ็ญบุญบุญในวันนี้ก็ชื่อว่าทำบารมีทั้งสิกรายการครบถ้วนบริบูรณ์มีบารมีสิบที่เราไม่ทำกันแต่ละคราวงไม่ใช่บารมีอย่างหนึ่งก็ทำครั้งหนึ่งหรืเราบารมีอย่างหนึ่งก็ทำครั้งหนึ่งความจรงเราทำบุญทุกครั้งเราทำครบบารมีสิบถ้าราบารมีสิบระการไม่ครบถ้วนเราก็ทำบุญไม่ได้สร้างความดีไม่ได้ สำหรักคําว่าบารมีนี่องค์สาเร็รจรรรพระจันทรบบีประมาศสันดาแสดงเลยบอกว่าเป็นกําลังใจตามมาสามบาลีที่เดียนกันมาปะะแปลว่าเต็มก็เลยแปลวะ่าเต็มอย่างเดียวก็ไม่รู้จุดว่าเต็มกันตรงไหนไอต่อมาเมื่อพบคําสอนสอนขององค์สาเร็จพระจอมไกรจุดหนึ่งท่านกล่าวว่าบารมีคือกําลังใจทำกําลังใจให้เต็ม สำหรับบารมีนี่อาตมาถ้ามันจะพาดไปบ้างก็อภัยก็ไม่สร้างใจเขาไม่กอนไม่ได้เตรียมตัวไว้ตังกล่ว่ามีสิบระกายคือหนึ่งทานบารมีสองขินบารมีสามเขัมามบารมีสี่สัจบารมี5้าวิริยะบารมีหกปัญญาบารมีเจ็ดเมตตาบารมีแปดอรินบารมีเก้าันฑิบารมีสิบอุเบกขาบารมี การเรียนบา ร, รมีอาจจะไม่เรียนตามลำดับเพราะว่าตามแค่นิดน่อยนี่ขออธิบายบา ร, รมีอันดานเพื่อพระตุปิษัยเข้าใจว่ามันเป็นกันตรงไหนแล้วการบำเพ็ญมุสุนแต่ละครั้งเรามีบา ร, รมีครบถิ่นการได้อย่างไรท่า น, น, นหลายจะได้ไม่ท่วงใจว่าบา ร, รมีเดิมของเรานั้นต่ําเกินไปต้องในสามมันจะถึงปณิธานได้ ความจริงของเดิมมีอยู่แล้วเป็นผุนเราก็สร้างใหม่ให้มันเต็มขึ้นมาได้ญาณธาดาบารมีปดารถัตมริสัตย์การให้ทานท่านจะเต็มมันก็มีกาหนดจิตคิดอยู่ว่ากำลังใจทองเราพร้อมที่จะให้ทานเราตัดม่ฉาดิจากความเดืรินดได้ อาการได้ทานย่อมเป็นไปตามฐานะเป็นไปตามความสนดวกไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปสําหรับกําลังใจที่จะถือให้แต่กําลังใจอยากจะให้มากเท่าทรัซักบันนีน้อยก็ต้องดูซักที่ขอว่าซัพย์ส่วนใดที่เราจะเปลนอให้มันต้องไม่เดือดร้อนสําหรับเราจาัดฉันแบกปันซัก ท, ที่สําหรับไปให้สอยพอต้องควรไม่ลํา บ, บาก ใ, ใจใจหรือจะไรบรรจุเป็นพานะระบาดงี้ แในการให้ให้ด้วยความเตยมใจไม่ซารถนาในการทวงคืนจิตใจร้องนุดเสมออะ่า้นี้ชี้ว่ามีสารบารมีเต็มแล้วสำหรับศีลบารมีก็เช่นเดียวกันเราพร้อมที่จะรักษาศีลแรักษาศีลได้เป็นปกติไม่หมดต้องในการรักษาศีลอย่างนี้ก็ชี้ว่ามีศีลบารมีเต็มสำหรับเลขคำะเทนากใช้คำะบารมีเ่ากล่าาการถือบท การถือบทในที่นี้ก็ไดในการถือบทได้ใจฤทธิมาจะบวทสายก็ตามทีถ้าไม่สามารถจะตัดมวรห้ามเดะการได้องคทศเนตรจอมใจก็ไม่เดียกว่านักบวทถ้าบรรดาท่านพุทธวิปัสสนาิมีวรห้ามเดการได้ขนาดนั้นองคทศเนตรจอมใจกล่าวว่าท่านเข้าถึงในธรรมบัรฑมี นี่สัจจะบารมีอาศัยความจริงใจตั้งใจว่าจะทําอะไรจะทำเื่องใจจะทำมุนทํำทางการกุตรตนั้งใจจะบำเพ็ญก็ตั้งใจว่าดีวยความจริงใจอันนี้นับประทำามนั้นอย่างนี้ที่ว่าสัจจะบารมีสําหรับวิริยะบารมีนี่เป็นกำลังต่อท้านต่อวัชริยะความดีต่อความเกิดขังต่อรังคาในการที่จะปบำเพ็ญบุตล ตัดสินใจแล้วว่าจะทำหรือแม้จะมีอุปสรรคทางกำลังใจอยู่บ้างล้วก็ทำให้ได้อย่างนี้ที่อวิทยาบารมีคือมีความเที่ยนสําหรับปัญญาบารมีนี่ความยริงน่าจะตั้งไว้อันดับแรกแล้วคนเรียกทําความดีได้ก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นสำคัญแต่ว่อ่อนสมเร็จพระพิจิตรมาที่มาตั้งไวสอน ก, นการศึกษาก็ไม่เห็นจะเป็นไร ทุกคนทุกคนจะให้ทานได้คนดีรักษาศีลคนดีสนดับพระธรรมเทศนาคนดีเจริญสมถะกรรมฐานมิตรศนนายกรรมฐานกนดีท่านประเภทนี้ต้องมีปัญญามาก่อนถ้าไม่มีปัญญามาก่อนก็ทาความดีไม่ได้มิเช่นเชื่ว่าปัญญาบารมีกุบรดานั่นพระธรรมอิสสะทันไลก็ครบถ้วนอยู่แล้ว นี่มาเมตตาบารมีที่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายมีจิตใจศาสนาทรงพระประสงค์ในตาสนาขององค์ในหน้าที่แก่คนดีนีจิตเมตตาในสตวเลียชั้นให้อาหารแก่สัตว์คนดีและทรงพระเพลินบานต่อคนเพื่อนเกิดแฉกเจ็บตายก็ตามทีอย่างนี้จัดประเป็เมตตาบารมีอยู่แล้วที่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนก็มีอยู่แล้วทุกคน นิรฐานนบารมีได้การตั้งจิตเข้าไว้ว่าเราทำทําความดีคราวนี้เราไปส่งอะไรตั้งใจว่าเราทําความดีขนะนี้เราต้องการสวร ร, ร, รค์เราต้องการรอมโรคเราต้องการผลิตภันฑ์หรือว่าเราต้องการความสันติสุขก็มลหมูช่ชาวโลกไปกันตั้งใจว่าประเภทนีนั้นทันที่ว่าอธิฐานนบารมีที่มาทันติบารมีได้กับความอดทน ถ้าเราไม่มีความอดทนจริงๆบรรดาท่านพุทธวิษณ์ชายหญิงการมา น, นั่งเบียดกันแบบนี้มันก็ทนไม่ไหวเวลาจะฟังเทศจัดต้าเขาต้องนั่งสน ม, มือด้วยเป็นการเพิความสบายของกายถ้าทั้นสี่ความอดทนไม่มีบรรดาท่านพุทธวิษณา์าก่อนทำไม่ได้ น, นี่แสดงว่าบรรดาท่า น, นพุทธวิษณ์เป็นหลายมีขั้นสี่แบบนีแล้ว ในข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระบาณีิแก้วกล่าวถึงเบี้ขาบารม <PTSD> <griff Buddhist S 1> ีความวางเฉยเฉยตรวไหนบรนดาท่านพุทบริษัทการบริจาคทรัพย์ทัพย์เหามันได้หรืยากจะนำทรัพย์ออกไปจากเรามันก็เป็นของลําบากมันจะเกิดขึ้ามที่นายเรียนมาให้ไปแล้วตั้งใจระไา้เฉยที่ว่าทํำไปแล้วเพื่อความดีอันนี้ก็เป็นอเบี้ยขาบารมี ที่วัดาท่านพุทธบริษัตวันวหลายนั่งในการเรียบร้อยเยียกเส็ยกันแบบนี้ยกมือขึ้นบรนลงมันฝืนกายสืนใจมีความลำบากกายลำบากใจแต่จิตใจที่เราวาเแต่ที่พัฒนานี้เราต้องการรู้ผลจิตใจของเราไม่กังรลับ อ, อาการเคียดต้องทางระอากายอย่างนี้เป็นเบเ้ยาบารมี ให้พูดถึงบารมีให้บรรดาท่านพุทธบริสัทธฟังอาการก็เช่นนี้ที่จะมีอาการเจ็บขึ้นมาได้ก็หมายถึงว่าเราพร้อมใจที่จะปฏิบัติแตนี้จะนำมาประมาทเรยนาขอสมเด็จพระทรงสวัสดี้ามาพบรรดาท่านพุทธบริัฟัง่าาราเ็ุเรามีบารมีประการอย่างวันนี้บรรดา อัานมีบารมีอนเวลารี้ท่านเาไนตั้งใจมาบาเพ็ญบุญฝมบุญญาสิทธิโดยไตยอนักตนท่านพุทธศาสนากชนก็มีความประสงว่าท่านจะสูงเพราะประสงค์ในพระพุทธศาสนาก็ตั้งใจอนำจดุปปัจจัยมายุคเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาแล้วก็ เวลานี Valerie, ้ก well ็พร้อมใจกันในการให้สิรรักษาสีและสันดับประธรรมเทศนาท่ามาจากด้านบารมีขวานหนึ่งอานบารมีเรื่องสินลบารมีที่บรรดาท่านพุทธมรรตหลายทําแล้วมนข้อต้นและพร้อมและการก็การให้ทานเป็นทานนบารมีมีแล้วการสมาทานสินเป็นศินลบารมีที่บรรดาท่านพุทธมรรตมีแล้ว มาตอนเลขธรรมะบารมีบรรดาท่านพระตถสัตมีตรงไหนมาพิจารณากันไปว่ามีแล้วหรือยังเลขธรรมะท่านแปลว่าการถือบทแต่ว่าการถือบทในที่นี้ก็เลยเกิดการระับติวอนภาพกายคือปวดใจถ้าปวดใจแระรับติวอน้าพการไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ยอมรับจึงถือว่าเป็นประโยคน์าวัยจร ถาท่านบนใดนะครับที่วรนทราบการได้เมื่อไรเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าทรงเรียกท่านบนนั้นว่าสยบาไว้จดในเวลาที่ท่านหลายกาลังให้ทายคนดีถวายทานเวลาท่านทักษาสมาทางนจิตคนดีเวลาฟังเทศอยู่เวลานี้ก็ดีเวลานี้จิตใจท่านจับเฉพาะอยู่ในการแส่พระสัมมาสัมพุนธเจ้ อารมณ์ไม่ยุ่งกับความรักใครอารมณ์ไม่ยุ่งกับความโกรธความอ้วนเหงาเอาหม่อยความโงกสารและความสงสัยใดๆเป็นอันอว่าใจตั้ตั้งตั้งตั้งจิตโดยเฉพาะว่วันนี้เราจะฟังเทศเวลานี้เราต้องการนั้นทราบเวลาที่เราให้กาน ขนาดนั้น uh, จิตต้องบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ว่าจากนิวรห้าแปดการคุดชีวการให้ทานนรินทราบถึงข้างหน่งอิล้วก็ว่าจากนิบรจะเป็นเนธขามปบารมีถึงแม้ว่าจะไม่ว่าตลอดฟันแต่ว่าขนาดที่เราทกที่เราว่าจะได้กล่าวว่าการบัเค็บกุศลแต่ระฆังบารมีป็นครบสิ อนนี้มาสัจจะปรมีได้กับความจริงใจเราตั้งใจไปแล้วว่าวันนี้เราจะนำจิตวิญญาณมาส่งกข้าระสงฆ์ในหลวงศาสนาเราขอทำจริงเวลจะมาทางจริงเราก็ตั้งใจสมาทานจริงในความจริงใจเวลาฟังเทศก็ฟังเทศในความจริใจอันนี้สัจจะได้รับความจีิงในี่เป็นสัจจะปรมีให้มันดีแล้ว มาวิยญาณบารมีบรรดาท่านพุทบริษัทเอาไปแช่ปอยง่ายนิดเดียวแต่เวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่มีความเพียรในการนั่งนิ่งๆในการพนงมื อ, ม อ, นมอในการตั้งจิตใจให้สงบตามปกติท่านทำแบบนี้ไม่ได้นั่งอยู่ที่บ่ายคนเดียวจะไป น, นั่งอลงมือนั่งพักเก็บนานๆแบบนี้มันัะทําได้ไวย เวลานี้เราตั้งใจสันดับพระธรรมดีสนาพระองค์ทรงเดกจะสมมาสัาสงเกยเจ้าเพียงพระสง์นามาสอรเราทำได้ตั้งใจคือพยายามทำปราบปรืในความทุกข์ยากลำบากกายที่ขขลัากำลังแรงกายของเราอันนี้เป็นวิญญาณอรแค่รรคบิณฑลแล้วชี่แบบปราบเห็นยันตาในความวาสงบ อันนีิมาปัญญาบารมีบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคนทุกคนจะสร้างปานดีนี้ต้องอาศัยปัญญาในการถา้าเราไม่เห็นว่าคุณประโยชน์ที่เราจะพึงได้โดยอาศัยการสะดับปัตตมณีศสนาผู้ดีไม่เห็นประโยชน์ในการให้ทายการของเพราะว่าการให้ทายการของเพาะดำเนินการสาาร้างวิปปิสานั้นรู เะมีการตรงแลข้ามการยารอื่นถ้าเราไปยื้อย่างทัพีิ่งเขาสมบ้านเป็นการสร้างศัตูจะได้ยใ่้เนการสามิตรว่บุคคลผู้รับย่อมมีความรักในบุคคลตัวอื่นมีกาลังใจเพระเราทราบชัดเรื่องเนตุผลในกรณีในรายการหนึ่งการชมระตามศิห้รายการตรงศินนี้เป็นการทาลายพันเวีะหาแต่ โยเาะอย่างยิ่งการรัษาศิลห้ารายการในในการปัดความเดือดร้อนในอามายาภูมินีคนมีปัญญาเขาคิดอย่างนี้แล้อเวลาเจริญสมาธิภาวนาวิปัสสนาภาวนาทําใจของเราสบายไม่เป็นมียนเป็นไข่กับไข่เมื่อเรามีความสุขใจในชาติสุดยุปันในสัมภาระควบเราก็มีความสุขด้วยเพราะวันนี้เรามีความสุขวังนี้เราก็มีความสุข สุดปอายเราตกองมีความเป็นมิตรกับคนที่วันนี้เราสร้างความเป็นตรูกับคนที่วันพวกนี้เราก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เราสร้างความเดือดร้อนไว้ความเดดรอนมันก็จะตามไปทั้วันทั้งคืนทวันด้วยข้อนี้มีปมาทั้นใดการนิบรรดาไดะพุทธบริษัทอันหลายสร้างความดีไว้ในชาตินี้ความดีก็ติดตามท่นอังหลายไปต่อไปนับชาติเป็นถ่ว นีคนที่มีปัญญาเท่านั้นจะทําได้ความดีแต่คนไม่มีปัญญาจะสร้างความดีไม่ได้ไอ้แปลว่าปัญญาบรารมีก็มีแล้วสำหรับปัญญาท่านพุทธบริสัทธ์หลายที่มาพึงผลมุญญราศีในวันนี้และก็คราวนี้และก็ทุกทุกคราที่ท่านทำก็มีบรารมีครบถ้วนสุกครัง้ง ในการดิ้นต่อไปได้แกับเมตตาบารมีคือความรักแสดงความรักสึ่งกันทำรักต่างดีไม่เื่องรกามาล้วนท่านี้เพราะอะไรเพราาท่านหลายมีความนักเมตตาเมตตาในบุคคลก็ดีในใจคนดีมีความเป็นสงดีศาสนาดีในพะสงฆ์ในหลงพระตถาคศาสนาอย่างนี้เรียกว่าเป็นเมตตาบารมีความจริงเรื่องนี้เป็นของง่ายเรามีกันอยู่แล้วทุกคน และต่อไปองค์สเด็จพระเทพรัตนฯกล่าวพึงอริษฐานวารมีตันี้ส่วนสําคัญมากตัณดาทัศนวริศเพื่อความต่อต้านไม่เพ่อไม่ไม่ทับทายจากความผูกที่เราใจไว้ตัวองค์สมเด็จพระจอมไรยวรมัสตันดาเคยกล่าวว่าคนใดถ้ามีวารมีเข้าถึงความเป็นพระเรียเจ้าคือสระห์ แต่เกิดไปในชาติไหนก็ดีแม้จะโอดอาหานซึ่งการนานเท่าไรก็ต่างที้ายังไม่ได้เสมอแต่ผลบุคคลนั้นจะตายไม่ได้และก็จะต้องไปอาราธนาให้ได้แต่ทั้งะว่ามีอยู่ท่านหนึ่งมีวาสนาบารมีพอที่จะเป็นล้านนาคาได้ในเมื่อความเทศจะรู้ว่าเจ้าเพียงจุนเดียวต่ขณะที่ท่านเป็นมหาเศรษฐี ต่อมาเมื่อท่านเป็นทัพน้อยลงมาถึงนรกเสรษฐีท่าปางเทศเาองสมเด็จสมมาหามมนีกินจบเนวก็จะเป็น่านเศรษฐีาคามีได้ต่อมาท่านจนลงมาเป็นถึงกาเศรษฐีท่าได้แต่ในขั้นหุดท้ายท่านับเป็นคนขอทานเสียองสมเถ้จพผู้มีพระาเจ้ามีโอกาสโดดท่านคนแรกก็คืออาว si ีเศรษฐี อง ส, สมเด็จพระมหมีสมเด็จในพมืองาราวีรึงขอทานนั่อยู่ข้างทางองสมเด็จพระวิมัก็ตลองแยต้ตาอดป่าจริงแล้วพระเจ้ากปกติไม่ยิ้ถ้ายิา้ก็มีเหตุสำคัญการนอนยังคุถามอกสมเด็จพระพัวันว่าพันเตพะกวาค้าแต่อกสมเด็จพระพูมีก็ผ้าเจ้า พระองค์ทรงย่งามพระโอษฐเหตุอันใดพรองค์สมเด็จสระจอมใจจึงได้มีพระพุทธีกาตัทวาอนันทารูปอ น, นันเาเห็นอาราวีเสศถศียีไหมพระ น, น์มองไปก็มองใ น, งนเห็นเขาเห็นแต่ขอทานนั่งี่รถเรือแต่แต่อยู่ข้างบา้านเขอยู้างพรองค์สมเด็จพระพุทธมัสสันดาจึงได้มีพระพุทธดีกาวาอนันทารูปอนันโคนนี้ก็คืออนันตเสถียี อานั้นเศรษฐีคนนี้มีประวัติคือครอบคนตุรกเศรษฐรามัยและที่สุทรัพย์สมองบาอาสลายตัวไปองสมเด่จเจ้าจอมไตรกไดีมีพระพุทธีกาแต่กระเา้านนวาอนันทาลก่อนอนนอาวีเศรษฐีนี่ทํายสมัยที่เป็นมาอาเศรษฐีอยู่ฟังเทศจากเราจบเดียวจะเป็นพระอนาคารีและต่อมาเมื่อรัดน้อยลงไปถ้าเป็นอนุเศรษฐี ความเทศจากเราจบเดียวก็จะเป็นตั้งศรีทาคารีว่าทับลดล้อยลงไปทึ้งก็หาวันอีอเรียกว่าพอกินขอใช้เหลือบ่างไปถึงกั บ, บเศรจฐีทีนี้อารวีเสร็จฐีความเทศจากเราจบเดียวก็จะเป็นเบโซ ด, ดาปันแต่ว่าเวลานี้อาราวีเสร็ษฐีก็มาเป็นข้อทานเราโกรธไม่ได้เสร็จแล้ว <S <S <S <S ลานอนยิ่งได้ทูลถามองสมเด็จพระวิทแก้ววะองค์สมเด็จพระพูมีพระภาคเคยกล่าวไว้ว่าคนใดถ้ามีบุญญาณที่การจะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเขาจะต้องถึงเป็นพระอริยเจ้าให้ได้ไม่สามารถจะมีกรรมใดมาตัดความดีของเขาแล้วทําไมาองค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระภาคเจ้าที่ได้ทรงตรัสว่าอาวีเศสีจะเป็นพระนาคามีรัตติทาคามีพระโสดาบัน เยงกลงเทศจากองสาเร็จพระพุวันจบเดียวเนั้นแต่ถ้าว่าเวลานี้ปกปิเทศตอนไม่ได้เพราะเป็นคนขอทาองสมเด็จพระบิดามารีกล่าวว่าเขาอาศัยที่อารวีเสรษฐีทำบุญแล้วไม่เคยสร้างปัิญาณอิานไม่มีอิฐานระมำมีดังบุญกุศลนี้ตนระมำมีก็อาจจะไม่เต็มพอที่จะถึงวนอิสาเพียงใดจุดพักขอเราคือชวนดาหรือผทีไม่ลงต่ำแต่ขึ้นสูง ีเป็นเจตนาที่ตั้งไว้เพื่ออริธานบารมีในใจลูกน้องสำคัญสมบัรับรรด huh. าท่านผู้บริสัทธาหลายอาตมาก็คิดว่ากตเรนาที่บรรดาแทนผู้บริษัทธ์ตั้งไว้แล้วก่อนที่จะบำเพ็ญผลมีแล้วดีกานอดยวงดีว่าท่านหลายก็มีอริธารเมียบารมีครบถ้วนแล้วีมาคันติบารมีได้จากความอดทนพ็กลาวมาแล้ในตอนต้นว่าการนั่งมันเมื่อยการพนมมือเมื่อย ตารนั um ่งพักเพียรนานันก็เม่ยิียาปวเดียวกับคนได้อนี่เป็ันติบามีเมื่อการจะนำสักคนเอานี้จะหาได้ยากวามาให้ทายพอดีบามเริงบุญมือนพอดี้องอาัยขันมิสามคนความปวดข่นมีแค่้นความเพ่อไดมันจะมาประทับใจแล้วไม่สามารถจะเลี่ยงออกไปได้อย่างนี้ขันบามีแบบนี้บรรดาท่านผู้ตุโบราณหลายมีและอย่างครบถ้วนจะมายถึงเมตตาสอนต้น ในข้อส no e ke at ุดท้ายองคเด็กขาบารมีก็บรกฎว่าเมื่อบรรดาพระธรรมวิสัชลอก็างอค์กุศลบุญยราศีแล้วในขณะที่ฟังเทศในขณะที่รักษาศีลในขณะที่ให้ทานก็มีความหวานเฉิไม่เสนดเลยทัพศีนเฉนได้กายปริยาที่เราต้องผืนกายมันจะปวดมันยังไม่ยังไงต้องชังมันเลยขอนเราตั้งใจสนับพระธรรมเจศนาตั้งใจสนับความดี ต่อไปมาสักพินอะไรมันเอ่ยมันบกพร่องเราไม่ตั้งอย่างนี้เราก็ไม่อยากร้อนใจไป้เฉยไว้ไม่ใช่ใดในบุผลิตส่วนทำไว้แต่ว่าอุปสรรคแต่ใดมันเกิดขึ้นวางทางในการปฏิบัติปันดาต่านพุทธริสัยอะไรก็มีแล้วเพราะว่าประโยชนในเวลานี้ เป็นที่ว่าบารมีเจ้ากิจการนิบรรดอาจารพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านปฏิบัติแล้วพบคนประบการณ์อย่างจะเป็นการทาความดีในวันนี้ก็ดีวันก่อนก็ดีบารมีก็ให้ผลทุกประการเหมนกันทุกการจะได้ขอบรรดาทจาพุทธบริษัททุกท่านจนม่ใจในความดีคือบารมีกิจการของท่านี่อตรหลายเคยปรารฏมาธมาฟังว่าบารมีมันน้อยเล ไมสามารถจะเป็นพระียเจ้าได้ต่างไม่สามารถจะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ต่างอย่างนี้นะแต่มาเป็นเชื่อเพราะทั้นี้ก็อะไรเพราระว่าท่านมองหน้าแล้วบรรดาท่านหลายสร้างบุญบาร ม, มีกัน ม, มากน่าเคยพบ อ, องสําเร็จกอบผู้มีรอบผ้าเจา้าคือพระพุทธเจา้ามาแล้วหลายสิ บ, บกว่ารัชเจ้ถ้ามีจิตใจปฏิจจใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งมั่นอยู่ในป ร, รมับารมีเป็นผลมาก จะ ท, ทำไมบรรดาแดนพุทธบริษัทเนี่ยกลาวว่าสายเข้าบริพารหนึ่งของยากแต่อันนี้ยแต่มาเห็นด้วยถามว่าบารมีเพื่บรรดาแดนพุทธบริษัทเนี่มันลอยไฟก็ช่วยสร้างเพิ่ อ, องเมืองเต็มขึ้นมาใหม่เก็สร้างใหม่กันได้คือตั้งใจเพื่อว่าเราจะเราตัาง้งใจกันจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราจะรับมีวันห้ามแต่กายคือไม่ทําผิดให้มุ่งมั่นในทางหาับุทและรม เรามีสัจจะความจริงใจตั้งเอาไว้ว่าจะทําอะไรก็ทําตามความจอย่างเรามีความภาคภูมิอดทนต่อบริษัทที่เกิดขึ้นเรามีปัญญาที่จะน่าว่าเสียงใดควรไม่ควรเรามีเมตตาความรักมีความปรารถนาดีต่อคนแสัตว์รอบตัวเราตั้งใจไว้ว่าเวลาที่เราทําความดีที่เราประสงค์อะไรตั้งจิตไว้เพาะ แล้วก็มีความอดทนในเวลาที่ทำทำใจวางเฉยเมื่อุกนเกิดขึ้นเทอมีสรปดาห์เทพบรวิปัสสแต่กาลังใจเขาแต่งครบคลุมบริบูรณ์อะไรเขาชื่อว่าบารมีทั้งสิาการนี้เขาทาอย่างไรเต็มครบคลุมบริบูรณ์แล้วสมเจตนาที่องค์สมเด็จธรรที่แจวกรรมศาสนดาสมมาสมเจ้าตั้งใจเทศเทศสอนบรรดาเทพบุตรวิปัสสัน ให้เต็มให้มีเป็นผู้มีวาลมีเต็มแล้วก็จะรับถึงสิ่งปฏิพันธ์ในโดดเ่ี่ยวอริยบันดาท่านพุทธบริสตังหลายอาตมาแสดงพระธรรมเทศนามาก็วนไปวนมาในด้านบารมีตั้งสิทธการตอนี้ก็จะอริยบรนดาท่านพุทธบริสทุ้งท่านมีความเข้าใจว่าบารมีพัฒนาหลายนั่นมีมามากไม่ได้มีน้อย แล้วเวลานี้ที่นล่กันอยู่ส่วนใดก็มีบา ร, รมีถึงเข้าขั้นปรมาภิธรมบารมีแล้วหรืออย่างเดีวที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอัหลายเจ้าปฏิ บ, บตตัติตามกระแสบัณฑิตธรรมะทศสนาเของเขาเมตตาบุตรแล้วท้ า, ท า, า, ท ม, า, า, ามีกำลังใจพวกเราทุกวนบริโภคเต็มร่รการคำว่าเซ็งคือมีกำลังใจรอมที่ปฏิบัติ การเดินแบบธรรมเดชนาใรบามีที่องค์สมเด็จพระทงเสกังก์สีสอนมาแล้วท่านมีเกจันนาเขาองค์สมเด็จตลอที่แถวเรียนอนท่นบรรดาท่านพุทธมิสัตว์พ้จากความทุกข์เข้าสู่บัิตภัยเป็นของมันยากเรีนานาวันนี้เีงสมวาระธรรมดีที่อาจามากล่าวว่าในสอนตนว่าอาัอาจารนาโสตนแล้ต้องเป็นเครื่องของตน ขออินนาโอปโรศิยาบุคุณอื่นใครเราจะเป็นมิตนได้อาตายิสุทันเตนะเมราสุขผลผลว่าคนเรามีแล้วใจนาทังและปฏิคุรัทางเราก็จะได้ทิพย์เพื่บุคุณจะเร็ได้โดยยากเกิดนิีกานระบรรดาท่านพุทธมรรตุท่านอาจจะมารับทางมิจฉาาในอัศนาคาถาขอุติกัสสัทธมารเซนนาลงคงไว้สเตรนี้ ในทีดแหมงัธรรมเทศนาในอัตมาภาพขอต้านสติญาติฐานะคุณเบสีรัตน์นาคมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะต่างปรการขอจงอภิบาลในบบรรดาเะบวรดาตั้พุทธวิสัชน์ทุกข์ที่บารมีทจ้าปิตกายพบกุนบารมีเต็มพบสามท่าประวัติบารมี อรดมันดาสัพุทธมณีศาสนาหลายสร้างจิตปฏิบัติความดีให้เอาถึงสิ่งผลิพานของความศาสนาในชาตินี้เสริในวะมีเกิดการทกี๋ยรับพแล้อนเองนอ่อก่อนที่จะรับพรแล้วใ้ใจที่สูงก่อนนะเพราะว่านี้มันมีคนน้ำลายระดับตึกัน เปลี่นอยใจนำจะดูไปใจึ้นประกาศวารามิธัรมะวามธรรมาเป็นการส่งมอบประสงค์ในภูติศาสนาถาธรรมก็นำจะนำจะตไปใจนี้ทั้งหมดไม่หักไายได้ทั้งหมดไปสร้างมีฐานทั้งหมดก็เป็นอนวบาบันดาแต่ทุบริษัทมีผลหลายอย่างคือตั้งานระบรมีศิลบิมรมีธรรมะระเบรมีสัจจะรมีรหรับตั้งายก็เป็นการส่งมอบประสงค์ในภูติศาสนาและมีารฐาน มีนับได้อาจจะนับจะระมาณว่าบางคนส่วน้ได้ประมาณแต่การใดม่นก็นับได้ไปแล้วเพรมากมายเลยเกิดในการบำเพ็ญกุศลนั้นมีเนื้อในสองด้าระบรรดาแต่ผูุ้กข์ทุกข์ใสังสารวัฏใจที่สูญสูญให้แก่บุญอภัญาติท่านผู้ตายอยแล้วขอท่านมีโอกาสมโนนาจะได้รับอิมพันต์จมีความสุขมาก แต่การลงที่สตสนสนนี้ก็ไม่ต้องเป็นว่ายาติมากเกินไปเมากเกินไปบุญจะไม่ปวดรกันไม่ใช่ที่นั้นทุกคนเียอกาสได้รับเฉยกนกันหมดแต่บุญที่ทันานหลายก็เป็นแล้วก็ไม่ลดสูงไปมาต่อจะ่ น, นี้ไปเพราะทานหลายใต้ใต้ที่โสตสนุนมีทางบน ญ, ญาตัพลัง ผลละบุญใดทอ่พระเจ้าสังไรได้บเป็นแล้วณโอกาสนี้พระเจ้าัง สนน้ขอริุณูชนนี้แก่เจ้ากรรมในเรืนทั้งหลาย้แกเจ้ากรรมในเรืนทั้งหลายคร่วงเกินมาแล้วที่เคยร่วงเกินมาแล้วชก่อนก็ีชาติก่อนก็มีชาตินี้ก็ดีขเจ้ากรรมในเรือนทั้งหลายอเจ้ากรรมในเทั้งหลายโอชนา ขอจงอาโอศิษย์ธรรมขออาโอศกายให้แกข้าพเจ้าให้แกข้าพเจ้าทั้งแต่วันนี้ทั้งแต่วันนี้หลักเท้าหักเทข้าสู่พนิพพานเสู่นิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายอภิสุบตุสุนีอภบตุสนทวั้งหลายแด่เจวาทั้งหลาย ปฏิบัติสายเทวดาที่พระผู้รักษาที่พระเจ้าทั้งหลายสายคนละมีภพสายคนละมีภพและปัญายมราชและายมราชทพเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายยมราชและายมราชโสนาโมน ในการบำเพ็ญบุญบุศนในการบำเพ็ญบุญบุศน์ในทางนี้ด้วยเถิดในทางนี้ด้วยเถิดขอที่ส่วนบุศนีขอที่ส่วนบุนทางานร้ายแ่ท่านขาปแล้วีวรักแล้ว วยความสุขอยู <prescribe orders> ่พนดีชวยความสุขอยู่คนดีชวยความุขอยู่คนดีชวยความุขอยู่นดีดีคนดีดีีดี เวลาจากจนลลายตั้งใจรับพรและในขณะที่รับพรนี้เพื่อตั้งใจิสูจนผลให้หุคนใดบมูคหนึ่งโดยเฉพาะหมคนไดเพื่อเรีกต้กิจฐานตามความประสงค์คนใดไม่ไข่คอและจะเป็นไปตามน้ำสุประการต่อนปเขาท่านลลายตั้งใจรับพรยะคาวะลิวะหาภูราบริปุเรนีสาทะลังเอวเมิโตชิลังเบตานอุปตะปฏิ จิตังปิิตังตุมหังทิปัมเวัชมิตตุสัพเอื้อปุนตุสังบปันจันโอนารโสญาามะนิโชติราโสญาถาสัพพีติโยวิวัจัตุสัพพโรภวินา ตัตุมัติ o อวัตวันตรายุตุพิชิขายุโภวาหิวัดัดสิลิสเนตังอุตสาเบชายนุนตัตารุตมะวัตัติอายุวันลุตขังบุรังอายวัตโกทนาวัตโกทิวัตโกยัตวัตโก อะระวัตโขวันละวัตโขสุขวัตโขโหตุสัพพันธัสสุขารูปะยาวิลาสุขัส a ภิปถวะอะนิยตาตระยานิวินาศันุยะติจัสสัจฉิสิทธิังกาปังโสติปะทะยังตุขังมะลัง ส a อาติจวนูจะโคขังูที่เจตตวาตตวัสสัพอายูจะชีวสิตีโอวันตุตีวตุสัพธรรมพลังรักขันตุสัพปสิวัสสัสสัพุทาลุพาเวดัณฑาโสชีวันตุตวตุสัพ พมังค์ลังลักขนุสัพเทวตาสัพธรรมานุปาวีดัาีพระวัุตวตุัมังลังลักขนุสัพเทวตาสัพสังฆานุปาวีจุะวต ต่อไปนี่ใจใจกลับพักรองนนะอรหัถ์สมัสมบูรสางตังตะวันตังสวารีมิตุสังขันังสิวารีสวะคาโตกวะมุะ ปันโลพระวาโตสาวกัสังโ